นะถ้ารู้ว่าอีกสี่หรือห้าคำจะอิ่มให้หยุดทันทีแล้วก็ดื่มน้าตามจากไม่เป็นจกไม่เป็นปัจจัยบางทีนะมิตรที่มันนั่งหลับๆโดยมากไปดูเหอะปัจจัยข้อแรกนีอาหารบางทีกินมั้งแต่ตอนเช้านี่นะตั้งแต่ตอนเช้ากินมาหรือตอนเพลงกินมานี่นะแต่ปัจจุบันนี้ยังโอมันยังไม่ย่อยเลยเติมใหญ่ไอ้ตนหามันมันต้องการเยอะนะก็ตเติมใหญ่ การต่อมาถ้าสมมติถีน้ำมีท้าเกิดให้ผัดเปลี่ยนเอียบดถ้าถีน้ำมีท้าเกิดในเอียบดนั่งให้เปลี่ยนไปยืนไอฟังธรรมยืนได้ไหมได้มีใครว่าเราหลอกยืนไปที่ฟังธรรมอะเพราะมันถ้าเรานั่งแล้วมันไม่ได้ประโยชน์จะไปนั่งทําไมใช่ไหมนั่งแล้วมันได้บาปลุกขึ้นยืนเลยอ่ะถ้ายืนยังไม่สามารถจะหายก็ค่อยเดินได้เดินฟังธรรมได้แต่เดินมันนสิการนะ ไม่ใช่เดินออกนอกห้องไปเลยยังีัยเป็นคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดินฟังธทำมานัสิการตั้งใจอย่างเงี้ยนอนอะไรเรียบร้อยอะไรนี่นอนเนี่ยนี่นอนมันตั้งท่าแล้วถ้านอนเนี่ยตั้งท่าจะเป็นอื่นแล้วใช้สามียบทยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งดีที่สุด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเคารพด้วยแต่ท่านนอนเนะ่ะไม่เคารพถ้าย่ายมาพูดอย่างเงี้ยคือมันมันจะหลับแล้วใช่ไหมก็ยืนอาจจะยังจะหลับอีกก็ค่อยๆเดินฟังเดินฟังไปไม่เป็นไรแต่ไม่อเดินมองนู่นมองนี่ไปทั่วไปเลยแต่เนี้ยอย่างเี้ยไม่เรื่องแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องต้องมนสุสยการที่จริงง่ายนิดเดียว ใช่ไหมถ้าเรารู้จักที่จะระมัดระวังตัวเองฝึกไว้ใช่ไหมมันเคยเหรอเมื่อวันมันเคยตลอดไปเลยนะใช่ไหมนั่งที่ไรหลอบที่ตรงนั้นเนี่ยนเข้านต่เข้าสเก็ดมงคลดีไปนั่งตรงไห น, นพออายุ ม, มากขึ้นก็นหลับนะครอด<อ>น้อยเสิบจะพลานนอนนิดเดียว น, นถ้าหากว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วเนี่ยเรื่องทีน้ำมิทาเป็น่องงา่ายมันตอนนี้พระหากรสอบเนี่ยไม่นอนเลย เธอเนศสัตว์ทีกลางค้าตลอดชีวิตอายุร้อยหกสิบปีไม่เห็นอายุสั้นเลยเพราะเรามันไม่ได้ประกอบความเพียรที่เป็นเครื่องตื่นที่เป็นไปกุกศลจริงๆพวกเรามันเดินกุศลกันไม่ค่อยเป็นยอมสมันโอหงถ้าวันใดวันหนึ่งเราเดินกุศลเป็นจริงๆเราไม่น่าเศร้าหมองกันแบบนี้หรอกอันนี้หน้าก็เศร้าหมองใช่ไหมดูเหมือนคนเอ๊เหมือนไม่ค่อยมาทำ ทางพระพุทธเจ้าแล้วนั้นเอมันจะเบิกบานจะผ่องใสคนที่เดินกุศลได้ดีสะดวกเนี่ยถ้าหากว่าอากุศลเกิดบ่อยๆเนี่ยจะเครียดจะกังวลจะวิตกนั้นความพักผ่อนจริงๆต่างๆอยนะ่างเนี้ยบางคนเนี่ยอยู่ในสมาธิแล้วพักผ่อนได้แล้วสองชั่วโมงสมชั่วโมงแค่นั้นแต่บางคนก็พักไม่มากเลยเอระมาสังเกตมีพราอยู่รูปหนึ่งท่านบอกอจริงไงอย่างจริง เอาท่านนอนแค่วันละสีชั่วโมงเนี้ยนน่ยใหม่ๆท่านก็หลับเลยนะหลับนะครับก็บอกว่าเนี่ยคุณยังเดินกุศลจิตไม่เป็นเอาทำยังไงมาก็ให้มีการไข้ควรเริ่มเอาพระธรรมมาไข้ควรมาพิจารณามาวิจัยนาข้าวนาข้าเริ่มกุศลจิตเริ่มเดินเป็นอะไรเริ่มเดิ น, ดนยาวๆได้แล้วอย่างเราหลายๆท่านที่นั่งอยู่เนี่ยเมื่อกี้กุศลศียังเดินกันไม่เป็นเลยเนี่ย ไม่ใช่ไปดูถูกกันเนะี่ยจะเดินยังไงอะเดินเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีนวีติกามาศีลถ้าไม่ชี้เวรนานๆต้องเดินกุศลศีลให้อาจารย์ฟังให้มาฟังถ้เาเดินเขาเดินกันยังไ ง, ง, ไงคิดยังไงให้เป็นศีลเนี่ยแล้วกุศลศีลจะเกิดได้ยังไงอย่างย า, ยาวๆเกิดได้อย่างตลอดสายเนี่ยทุกชาวนะที่เกิดขึ้นเป็นกุศลศีลเกิดเลยเนะี่ยมีเจตนางดเว้นบ้างมีเจตสิกศีลเกิดมาวิจัยบ้าง อันย่อตัวอย่างอย่างนี้นะอยัยกอตัวอย่างเห็นเลยว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมศรัทธามีตถาคตาโพธิศรัทธาคือความตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรายถ้าโยมนั่งกันอยู่ตรงนี้นะมีความมุ่งมั่นว่าเราจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรายได้จะมานั่งยิง่งหยิ่งงอ ง, งองได้ไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมความมุ่งมั่นจะสูงมาก มีความตั้งมั่นว่าจะต้องฟังว่าทําให้เข้าใจทุกวันนี่นมาเดินสูตรไม่ได้อย่างที่บอกนะถ้ามาเดินตามสูตรจริงๆเนี่ยนะไม่ค่อยทักทายพวกเราเนี่เลยนะไปเลยสมมุติถ้าจะเดินตามสูตรแล้วไล่ตั้งแต่เอวเมตุตั ง, งยัง ก, กังสมัยังพวกว่ากรูสุยารติเลยนะเดินตามสติปัฏฐานเป๊ะเลยเนี่นะจบบาลีขึ้นอันตถกถาจากอัตถกถาขึ้นดีกาหรือเชื่อมโยงสูตรต่างๆและไม่ได้กล่าวเรื่องอื่นมวาวกวนให้เสียเวลาเลยนะ กา่าวไปเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแท้หลับหมดเป็นอย่างนั้นปริมาณความฟังมันไม่ไหวแล้วดูเนี่ยฮนะอออยนี่อาจารย์เป็นอย่างนี้นะพ้อมนั่งไม่เห็นคนฟังมามา อ, อาจารย์สาธิยายไม่ได มองไม่เห็นคนแต่ว่าถ้าถ้าถ้ า, ถาสวดเนี่ยได้สาธยายสาธยายแบบไอ้ที่เป็นสูตรเป็นอะไรเนี่ยสาธยายได้แต่ถ้าจะให้แบบมันต้องอธิบายรายละเอียดด้วยใช่ไหมนั่งอธิบายคนเดียวชอบคนชอบคนเข<ต>้าใจไหมเป็นอย่างนี้คือถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นทุกตอนเแห่ะมี่บาลีตรงนี้นะอักษรธรรมตรงนี้นะดีการตรงนี้นะอะเชื่อมตรงนี้นะนี่ไปเชื่อมในจุลนิเทศนี่ในมหาวิเทศนะ ที่จริงล็อกเนี่ยทำไว้หมดแล้วมาเดินไม่ได้หรือเปล่าก็ลองดูเนี่ยเนี่ยยานทำมาเนี่ยใช่ไหมที่ทำมาเนี่ยใช่ไหมเชื่อมหนึ่งสองสามทุกจุดแหละแต่ว่าปริมาณของคนฟังนมันไม่พอคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอยู่ข้อคือสติสัมปชัญญะของคนเราอ่อนแอมากไม่แข็งแรงย่มสมานุ อนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่แข็งแรงเพราะทําไมทีแรกอมาบอกว่าเอาไปฝึกกันนะเอาเทสไปฟังใได้ชั่วโมง2องชั่วโมงสาชั่วโมงคือต้องการดูปริมาณศรัทธาของพวกเราร Astra ู้เป่าเพราะศรัทธาที่แข็งแรงจะเป็นปัจจัยเกิดวิรยิยะวิริยะจะเป็นปัจจัยเกิดสติสติจะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิจะเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาก็จะมาเกื้อห น, นุนศรัทธาศรัทธาก็จะแข็งแรงมากกว่าเดิมก็จะเป็นปัจจัยเกิดวิริยะวิริยะก็จะไม่เท่าเดิมแล้ว วิทยาก็ะเป็นปัญาก่สติสติเป็นวิญยาเก่กสมาธิสมาธิก็เป็นปัญญัยกับปัญญาปัญญาก็จะมาเกื้อหนุนศรัทธาอย่างเนี้ยแล้วมันลูบๆเดียวหมุนสักสิบรอบยี่สิบรอ บ, บ, รอบด้วยทีความแข็งแรงมันก็จะออกได้เลยลําดับแรกก็คือมันจะหมุนออกจากปานาติบาสน้อมก็หาเมตตาได้ใช่ไหมแล้วก็ออกจากอธินนาทานน้อมออกจากกา ม, มีสมิมชาจาร์มันออกได้จริงๆด้วยนะออกจากมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุสวาราสัมผัสปลาปะ ออกจากอวิชาพยาบาทออกจากมิชาทิฏิออกจากกุศลอกุศลกรมวสิทธใช่ไหมน้องก็หากุศลกรรมวสิทธแปลว่าตอนนี้กุศลราศีมันเดินได้อย่างนี้แล้วนาข้าวนาข้ามันจะออกจากการมฉันทะออกจากถีนมิทะออกจากอุธรจากกุกุจ่าออกจากวิจิกิฉาออกจากอวิชาออกจากอรติความไม่ยินดีใช่ไหมออกจากความลังเลสงสัยจากความไม่กําหนดธรรมมาเริ่มกําหนดธรรมตอานี้มันออกกันได้ที่ไหนเนี่ย เราถูกกล้ามฉันท่าเล่นงานถูกพยายามเล่นงานถูกทีน่ามิทะกดคอไว้ถูกอุทจักขุกุจักกดอีกวิจิกิจชาก็กดอวิชาก็ปิดอารติความไม่ยินดีในการฟังพระธรรมจบเล ย, ย, ยเข้าใจว่ายินดีแต่ทีแรกอะ่ะแต่พอมาตั้งใจเบสเสร็จใช่ไหมโดยการที่ไม่ได้ตั้งใจให้ต่อเนื่องคือเรายังไม่มีอุบายในการเดินอะอามา ออกมาไม่ได้ไปําหนินะเพียงแต่รู้เลยว่าการเดินกุศลของเรามันยังมีปัญหาแล้วรู้ด้วยว่าทำไมถึงเดินไม่ได้เพราะขาดการวิจัยยังไงขาดการพิจารณาใครคนยังไงรู้ทำไมไม่รู้ครึ่งบอกพยายามบอกวิธีการวิจัยไปไม่รู้กี่สิบครั้งใช่ไหมแต่นี่พวกเราไม่ได้ไปต่อยอดกันเองอไอ้ตรงเนี้ยแต่บางคนก็อย่างที่โยมหมูไอ ย, อย่างต่อบอกว่า บางทีพอหยุดฟังก็ทำไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมมันเหมือนมันขาดเหตุปัจจัยอะไรเงี้ยมันก็เดินไม่ได้ไม่คิดมันก็คิดได้สั้นๆเงี้ยมันไม่สามารถกว้างขวางได้นานๆก็มาทีดูเหมือนจะกระตือรือร้นทุกทีใช่ไหมแต่เข้ามันก็แฟบลงอีกเงี้ยนะน ใ, ชใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กับยาณมิตรเราไม่ได้ฟังพระสัทธาไม้ต่อนเนื่อง ใช่ใช่ใชคือคือถ้าหากคนที่เขาเข้าใจพระธรรมก็อาจมาไปทดลองนล้วมีพระเนี่ยเขาบอกไอ้เอามาก็สังเกตท่านนั่งหลับตลอดพระธรรม ท, ท่านไม่เป็นนี้ตลอดท่านบอกไรู้เป็นอะไรฟังหลับทุกทีมาดีนั่งอ่านหนังสือก็หลับ ด, ดังนั้นเอามาให้ไปเดินต้นโพอ่ะอะกลางคืนเดินบ่า คือหนึ่งไม่ได่าถึงเวลาง่วงไปนมันนั่งกมันนั่นมันเดินอนนี้อมาก็ไปเดินด้วยระสอนวิธีไข้ปวดใช้บางทีใช้ข้อเดียวมาพิจารณาว่ามาพิจารณาถึง <c oughs> พุทธคุณอรหังเนี่ยเร็นพรธเจ้าไกลจากกราคะเราเนสไกลจากโทสะไกลจากโมหะไกลจากมานะทิติวิชิกิจฉาอิริการโนตปาเรายังมีราคาโทสามโมหะ พุทธเจ้าในไกลแสนไกลแต่คิดแค่คำนี้คําเดียวมองต้นภรสีมหาโพธิ์ไปเดินน่าเข้าน้าเข้าเนี่ยมันเกิดตถาเริ่มเดินเลยทีนี้ถ้าเจาะคุณของพุทธเจ้าได้สักมุมใดมุมหนึ่งใช่ไหมหน่าเข้าหน้ะเข้าเริ่มเอเริ่มคิดแล้วมาก็เริ่มเดินนําล่องไปว่าเราไม่มีดอกไม้ทุกเคียนเราจะถวายเป็นธรรมบูชาเนี่ยเขาอะไรถวายล่ะใช่ไหม ศรัทธามีไหมในใจเนี่ยเออวิริยะคือความเพียรที่จะทำประคองให้กุศลเกิดยาวๆได้ไหมอสตติคือไม่หลงลืมสติอะสมาธิคือความตั้งมั่นในคุณของพุทธเจ้าอัญญาคือการที่ไปวิจัยเห็นคุณของท่านพุทธเจ้าเนี่ยบองเพนบา ร, รมีอย่างยาวไกลอย่างแสนสหัสเนี่ยสีนบา ร, รมีเนี่ยทานบา ร, รมีมากมายเนี่ยีลก็เยอะซะ เนคคำว่าปัญญาวิรดียคติสัจจะทิ่ฐานะเมตตาและเบคาเอเราเนี่ยเพียงแค่ทำแค่เนี้ยจะบูชาคุณของท่านสักนิดหนึ่งเนี่ยไหนว่าเราเป็นสาวกของท่านดูการไม่สมควรเลยที่เราทาเนี่ยพอเริ่มตึกไปคิดไปเนะี่ยเขามันฟึดขึ้นมาอย่างเดยประมาณวันที่สามฟึดขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วสามารถที่จะอยู่บางทีโอ้โหไม่อยากนอนเลยบางคน ถ้าตายไปเนี่ยเสียดายมากเลยเพราะเรายังไม่สามารถทําที่สุดได้เขายังมัวมาหลอบไหลอ ย, อยู่เนี่ยเราไมไ่ตั้งมั่นในการที่จะเจริญหรือประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเลยเลยบางทีเราบอกข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าร้อยหมดเลยก็พูดเนี่ยเราไม่รู้เลยถวายชีวิตคือถวายยังไงก็อัจจภาพเนี่ยมันไม่มีศัสาละใช่ไหม แล้วถวายพระเจ้าไปว่าต่อไปจะได้ไม่เสียดายเราจะได้กับพระพืดปฏิบัติในการที่จะปฏิบัติบูชาได้อย่างชัดเจนต่อไปไม่เสียดายชีวิตแล้วไม่อะไรอวรกับการมีชีวิตอยู่เช่นศรัทธาที่เราตั้งมั่นเนี่ยเชื่อน้ น, น้อมในคุณของพระเจ้าอย่างตั้งมั่นว่าข้าพเจ้าจักเป็นหนึ่งในพระธนัตไตรเฮด้ะพอตั้งมุ่งมั่นอย่างเงี้ยใจมันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มนเทศการบ่อยๆ การคิดถึงเรื่องอะไรบ่อยๆเนี่ยมันทําให้จิตตื่นนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องประกาศบอกใครด้วยซ้าไปใช่ไหมเมื่อเรามุ่งมั่นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆและคิดบ่อยๆเ้า <c oughs> เราียกว่ามีธงของตนเองมีเป้าหมายของตนเองค่อนข้างชัดมนสิการบ่อยๆถ้าเห็นเรื่องนี้สําคัญนักเข้านักเข้าใจก็จะน้อมไปนัะเข้า ถ้าหากว่าเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องรองหมดเลยเนะี่ยนี่ก็เรามาคิดอยู่เถอะจริงๆแล้วชีวิตของเราอะไรเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมก็พิจารณาอย่างเนี้ยฉั้นถ า, าว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้เราจะเห็นเลยว่าในกรณีถ้าเราออกจากกา ร, รมเฉันท่าทีนั้นมิท้าอุทเทเจ้ากูจะเพราะเราเห็นกา ร, รมฉันท่าเหมือนคนเป็นหนี้เห็นพยาบาทเหมือนกับคนเป็นโรค เห็นทีน้ำมิธาเหมือนการติดคุกมออกไว้ได้เห็นอุถ้าจารกุกจาเนี่ยเหมือนกับคนเป็นทาสเห็นวิจิกิจช้าเนี่ยเหมือนกับการเดินทางกันดารมันออกจากที่กันดารไม่ได้สักทีแล้วเราจะไปจมปักอยู่กับมันทําไมกันมันก็เกล้าออกเพราะเราต้องการเนี่ยนี่หรือที่เราจะบูชาพระเจ้ า, ด, า, าด้วยถีน้มิธาด้วยด้วยด้วยกามาคุณหรือด้วยนิวรรธรรมเหล่านี้ไม่สมควรเลย ไม่สมควรที่เราจะเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมเพราะพิจารณาอย่างนี้มันก็เริ่มมุ่งมั่นแลนะตรงนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเวทนาในที่เนี้ยนะในเวทนาเนี่ยเป็นตัดมาในมหาทุกขขันทสูตรในทุกขขันทัสสูตรในในมันชฌิมานิกายมูรปานาต์เล่มที่สิบแปดข้อเนี่ยอาจจะตรงแต่หน้าไม่ตรงแล้วเนะี่ยอันนี้ทำมานานแล้ว ทีนี้ในเนี้ยจริงๆสูตรเนี่ยเป็นสูตรยาวตัดมานิดเดียวบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอาัศทาะของเวทนาทั้งหลายคือตรงนี้ท่านมาขยายว่าอะไรเป็นความยินดีเป็นความเพื้นเพลินของเวทนาก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินยัยนี้สงัด จ, จากกราสงัด จ, จากอักษรธรรมบร ร, รมุกบรรลุปถมฌานทีมั้ย การมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาออกจากการมฉันทะออกจากพยาบาทออกจากถีนมิทะออกจากอุตจกักออกจากกุกุจกักออกจากวิจิกิจฉาการออกจากนิวรธรรมเป็นต้นเหล่านี้ได้เขาเรียกว่าก้าวออกจากนิวรธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องกั้นโดยวิขำบรรณบารหารบรรลุปมฌานการที่ได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่อันนี้บ่งบอกถึงอะไร ตรงนี้ท่านขับเน้นอะไรเนี่ยขับเน้นเวทนาสรุปแล้วก็คือว่าเวทนาในอในมนุษย์เนี่ยถ้าสุขเวทนาในมนุษย์เราถือว่าสุขสุดยอดไหมแล้วก็ถือว่าสุขพอสมควรใช่ไหมเช่นสุขได้เห็นได้ยิ น, ไ ด, ยนได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกที่เรายินดีเราเพลิดเพลิ น, นเราพร่ำถึงสมัยก่อน เราคิดยังไงเราคิดบอกว่าตอนเป็นเด็กๆเราคิดว่าโตขึ้นเราจะได้เราจะสบายแปลว่าเราหวังสุขเวทนาในอนาคตพอเราโตขึ้นมาหน่อยเรียนจบก็จะสบายทํางานก็จะสบายมีครอบครัวก็จะสบายมีลูกก็จะสบายลูกโตก็จะสบายส่งลูกจบก็จะสบายใช่ไหมตอนแก่ตอนเท่าเราก็จะสบายมันคิดเหมือนไปอยู่เนี้ยโดยสรุปก็คือความสุขในวัตถุกรรมในการ ม, มาสุขเนี่ย เวทนาเหล่านั้นน่ะหลายๆคนก็ติดเงีแค่สุขเวทนาแต่พระเจ้าบอกว่าสุขที่มันยิ่งกว่านี้มีอยู่ถ้าเราไปดูในในในคำสอนที่พระเจ้าสอนในเรื่องของทานธักถาสีักคาถาสักคาถาแปลว่าอะไรพระองค์สอนเรื่องสุขเวทนาในมนุษย์และในเทวดาถ้าในเทวภูมินี้เป็นความสุขที่ยิ่งยวดกว่าในกาลภูมิม กว่าในมนุษย์มากคือความสุขของเขายินน่ายินดีน่าเพลิดเพิดถ้าเวทน า, าในสวรรค์บางชั้นเนี่ยนะทุกขเวาาทนาเนี่ยไม่เกิดเลยเข้าใจไหมเพราะว่าเขาจะมีแต่สิ่งที่น่ายินดีน่าเพลิดเพินสวนมิศกวันเอ๋ยสวนปารุศกวันเอ๋ยสวนกรณีที่ว่าจิตล ะ, ละดาวันเป็นต้นเหล่านี้ยนะสิ่งต่างๆอยู่ได้อยู่ในชั้นดาวดึง นั้นเวทนาอยู่ในชั้นดาวดึงเป็นเวทนาที่ประณีตกว่าในมนุษย์ก็ะขนาดว่าพระเจ้ามันทาตุล่ายังติดเวทนาในชั้นดาวดึงเล่นจะหลงไหลเลยเล่นจะอยู่ไม่ยอมกลับโลกมนุษย์เลยตอนนั้นเป็นที่ว่าเป็นพระเจ้าเป็นดินเน่ยแต่ต่อมาก็ไปคลองสวรรค์อยู่ตั้งเท้าสกาดตายไปตั้งสามสิบหกองใช่ไหมแล้วในที่สุดจริงๆก็แหมไม่พอใจอะ การที่จะได้สวรรค์มาครึ่งหนึ่งในทุกในสติปัฏฐานเะนี่ยก็เลยคิดจะฆ่าท้าส ก, กา่าเพราะจิตคิดจะฆ่าพบไปเลยร่วงตกลงมาในราชิวทยานตนเองแล้วก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้พระให้ตนเองก็ประกาศบอกว่านี่ดูที่ความโลภของเท้ามันตาเอเอไปพระสัตว์พระเจ้ามันทาฮาตุราชเนี่ยโลภจนสาจนคิดฆ่าคนอื่นแล้วตัวเองก็งมาตายแล้วก็ให้มันให้บันนใ ห, ใ ห, ให้จารึกประวัติ แล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็นําเรื่องเนี้ยตถาคตเคยเป็นพระเจ้ามันธาตุราชเคยติดในสุขเวทนาอย่างไงในนีน้ก็เล่าให้ฟังแต่สุขของพระเจ้ามันธาตุราชในสวรรค์นั้นน่ยยังไม่เท่ากับสุขในปฐมฌานหรือยังไม่เท่ากับเวทนาในปฐมฌานนะแสดงให้เห็นว่าเวทนาในปฐมฌานเป็นเวทนาที่ออกจากกาลฌานท่พยาบาทีนะไม่ท่าอุทธจักกุกุจาวิจิจฉา พระ้าบันทา้าดุราสออกจากพยาบาทได้ไหยได้ไม่ได้ตอนนั้นออกไม่ได้เลยเพราะกโกรธใครกดเท้าสกัดแล้วก็ตายอะ่ะแต่ถ้าหากว่าได้ปฐมฌานเนี่ยออกจากพยาบาทได้ออกจากก ร, รมฉันท้าได้ออกจากถีน้มิท้าได้สรุปแล้วคนที่ได้ปฐมฌานไม่มีถีน้มิท้าท่านขมได้โดวยวิคําพระนมหาย ไม่มีอุทจาระกุกจากไม่มีจิกิฉาไม่มีการประชันท้าแล้วก็ไม่มีพยาบาทมานั่งสับประโกระปุ๊ บ, บ, บเนี่ยไม่มีถ้าคนได้ประทมระชานะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะเวทนาก็มันสุกละเอียดประณีตและสิ่ ง, งต่างๆนี้ไม่รบกวนใจก็แล้วที่สมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อที่จะทําลายตนเนาะ ไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดว่าจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอาัถ้าของเวทนาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เห็นไหมแล้วท่านก็กล่าวไปตามลำดับอีกประการที่สองอันนี้เวทนาะที่ประณีตไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นอัศธ า, าเป็นความยินหน้ายินดีหน้าเพลิดเพลินอยู่แล้วระดับปฐมฌาน เอาทูตอาจารย์ภิกษุบรรลุทุตยอาจารย์มีใจผ่องใสยิงจิตนภายในไปทำเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารโดยสรุปก็คือว่าปฐมชาญละกาบชาญท้าพยาบาทถีนมิทาอุทจักกุกกุจกัวิจิกิจฉาใช่ไหมละทีนมิทะเป็นต้นตแต่ทุตีอจาญละอะไรทุตีอชาญละอะไรละวิตกแล้วก็ละวิจารณเพราะ เวทนาที่เป็นไปกับวิตกเวทนาที่เป็นไปกับวิจารณ์ยังหยาบอยู่ไหมยังหยาบนะของเรามีวิตกมีวิญญาณไหมมีเลยอ้าวโดยมากเรานี่อยู่กับเวทนาแล้ยก็เวทนาประเภทไหนเวทนาในโลภะ ก, กับเวทนาในกุศลอันไหนน่าอยู่กันยอมอบางคนจริงรึเวทนาในกุศลใน ใ, ในโลภะน่าอยู่ทยม น่าโยมอคะทักเลิกเวลาเรากินอาหารอยา ก, กินด้วยกุศลและกินด้วยโลภะจริงๆแล้วชอบกุศลยจริงๆรึเปล่าถ้าชอบกุศลทาไมไม่กินอาหารในด้วยกุศลละจินเลยทำไมกินด้วยโลภะแสดงว่าบบเราชอบเวทนาในโลภะนะปากเราบอกไม่ชอบใจเราก็คิดว่าเราไม่ชอบแต่พอมันจะนั่นจริงๆอ่ะ ถ้าถ้ากินอาหารแบบกุศลและจิตเกิดเนี่ยเราจะชอบใจไหยอาหารไม่ยินดีติดใจในอาหารเนี่ยเออเอกุศลไม่ยินดีติดใจในรสอาหารวราะถ้าเป็นกุศลมันจะพิจารณาอย่างไรอ่ะมันจะเป็นยังไงคิดยังคิดไม่ค่อยออกจริงๆก็เคยคิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ค่อยเคยเลยจริงๆก็ต้องพิจารณาอย่างไง เนี่ยทุกวันนี้นะพอจะกินอาหารกันก็ปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิยาวเดวานมัญญมลาเดส็ปป๊ปไม่รเรื่องบ้างแห่งใส่ชุดขาวก็เป็นแถวนางก็เป็นร้อยเลยนะเอามาก็ไปดูเขาท่องกันใหญ่ ท่องปฏิสังขายโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาแล้วชนะหายเบียดระบาดว่าได้คล้องเลยนะเบเสร็จแล้วตาก็จ้องมองอยู่อะไรจะใส่ปาก่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเลยตเนะ <c oughs> ี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมันเกิดจริง <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี่ยเนี่นั่งสนทนากันเป็นเบลเสร็จพอถึงเวลากินโห้ลืมเนื้อลืมตัวกัน ทั้งทงที่ในคำสอนเขาก็บอกแล้วว่ากรณีที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยไอคำแรกที่มันตกถึงท้องเนี่ยเราสัตว์ทั้งหลายทั้งแปดสิบตระกูลแปดหมืนตระกูลมันก็วิ่งกันข้านกันมาก็ลุมกิน ห, นหมดเลยของดีๆทั้งหลายเนี่ยมันแย่งกินกันหัวสลอนเลยใช่ไหมเพราะในนี้เต็มไปด้วยสัตว์นาน า, นาชนิด วิธีคิดด้วยกุศลมันก็ต้องคิดว่าเนี่ยเหรอการที่มีร่างกายมีจิตใจมีรูปปั้นเป็นต้นแสนจะลําบากมากวันหนึ่งก็ต้องมานั่งกินนั่งเคี้ยวขึนอยู่ตลอดเวลาเลยฟันจนจะหักไปไม่รู้กี่ชุดะ ก, ก, กี่ชุดแล้วมานั่งกินกันอยรอใช่ไหมน่งเข้านะ่งเข้าดีๆสารพัดที่ต้องมานั่งกินกินไปเสร็จก็ต้องมานั่งแครนั่งแกะนั่งนั่งถูว่า กินเข้าไปแล้วก็สารพัดข้างในก็เต็มไปได้วยของไม่สะอาดทั้งนั้นเคี้ยวเข้าไปกับปนทั้งเสลือดและน้ําลายไหมไอ้ตรงปลายลิ้นกับน้ําลายก็มีสีมีสีเซสาหน่อยถ้าตรงตรงกลางลิ้นก็เริ่มข้นๆนถ้าโคนลิ้นน่ยก็แมืเหลืองอ๋อยเลยเสเลนะือดยังไงแล้วถ้ามาปนกับข้าวกับอาหารขึ้นมาคลายมาดูถ้าไม่อยากจะกืนเข้าไปนี่หรือของดีแต่มันก็ต้องมาเลี้ยงกายเน่าๆนี้แหละ มันพิจารณาอย่างนี้จริงๆนะเห็นอย่างเงี้ยก็นั่งกินเอาไปเห็นเนื้อปลาก็อีกอันนี้ก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมเป็นปู่ย่าตายายก็ต้องมานั่งกินกันอยู่นี่แหละในสังสารวัตก็นั่งพิจารณากินในการที่เราจะต้องมาเป็นทาทั้งกายเงี้ยดูแลเขาขนาดนี้เขาก็ยังทลายศเขาก็ไม่ที่ยังบินทุกข์เราเป็นอนาตตา ้เวทนานี่เราก็ตามใจมันจะไม่รู้จะตามใจยังไงถ้ากินแล้วมันได้ทุกขเวทนาก็ไม่ยอมจะตักใส่ปากอันไหนได้สุขเวทนาที่เป็นไปกับโลภะโอ้โหแย่งกันใหญ่อนะไรเนี้ยเนะ่ก็นี่ยนางคิดพิจารณาอย่างนี้ยกุศลมันเกิดมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่สับแต่ว่าท่องเลยนะมันเข้าใจเข้าถึงอย่างนั้นเลยเข้าถึงแล้วก็พิจารณากินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยแล้วนะเข้ามันชํานาญความชํานาญเกิด พอพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆข้างนี้ร่องนี้มันลึกทายังไงไม่คิดมันก็ไม่ได้ไมัน ค, คิดแล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าทายังไงจะคิดได้พราะไม่ยอมคิดใช่ไตอนนี้ไม่ยอมคิด <c oughs> นะเนี่ยมันคิดแบบเดิมเลยอาจารย์่ใช่ไมว่าเราเข้าใจการกระโนเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองยัคันนะครับวเราที่ทปฏิสัมพตัวตามเขาเนียแต่ใจเราู้ว่าชีวิตลกตัวเอง แล้วเราจอ ร, อ, รอร่อยตรงนี้อร่อยตรงนี้เยอะมันฟัมันสูดมันหลอกก็ <ul> ใช่ ต, ตรงนี้เราก็เลยไม่เข้ใจว่าเอ๊ะเราท่องทำไมปริมาณของการวิจัยมันไม่<า>พอท่าจไม่ได้ไม่พอไม่พอไม่เป็นนะถ้าถ้าถแต่ไม่รจะพูดยังไงว่าเอ๊ะทไมเราต้องท่องเราก็ไม่เด็ดถามได้แล้วเราก็ไม่เข้าใจยังคิด น, นเคยคิดมาตัา <ười> ้งนานนะคะแต่แว่าเอ๊ะทำไมเราตร้องท่องปฏิค <ười> ือคือ <c ười S 1> สูตรที่เขาให้ท่องนั้นเป็นรูปแบบ เพื่อให้จำได้ก็เค้ค้าตัวเองอ่ะไอเราันเไ็นปฏิบัติตามเราเราลองอมืนก็ว่าไอเรอยากอร่อยตรนี้อร่ถพอเราตัดเข้าไปอันนี้ไม่อร่อยไป็ุนใหญ้าเรอเหมือนเรยังไม่สนใจเลยไอ้ักการจาริ์อุปศนี่ยังยัง่าจารย์พดม่อกี้น่นะเราไม่มีความเั้าใจอีังเคยฟังทรานเนี่ฟัง พอมันตั้งใจแล้วพอเข้าใจมันไม่ห่วงยันสว่างได้แต่บางครั้งในประจับเข้าพเจริญเลยมันไม่เข้าใจก <c oughs> ็คือมันการเจริญปุษตเนี่ยชันทะน้อยไปเนาะ <c oughs> ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จตันนี้มันก็จะเริ่มวิจัยแล้วเข้าใจใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเ <c oughs> ป็นเรื่องการวิจัยพิจารณานั้นพิจารณาก่อนนะไปเห็นของดีไปพิจารณาไม่ทันแล้ว เขาวิจัยไว้ก่อนวิจัยก่อนด้วยวิจัยขนาดนั้นด้วยหลังนั้นก็วิจัยด้วยอยางเนี้ยนะนี่เริ่มเต็มจะมงคลจะออกลบฝึกตอนไหนก่อนออกลบทีไหมจะไปกินอาหารฝึกก่อนหรือฝึกขนาดกินอมนะ่ต้องฝึกก่อนแล้วไปถึงจะได้พิจารณาทัานดังนั้นโอ้โหเคี้ยวใหญ่จะไปทันไหมล่ะใช้เวล า, าจํากัดเนี้ยก็ต้องฝึกจนชํานาญแล้วเนาะ ท่านใหม่ๆก็คือว่าก็ต้อง ก, ก็ก็ต้องฝึกไปแต่ในส่วนจริงจะชำนาญก็มีเวลาในการาใร่ควรนั่งเยอะๆที่สูตรที่ท่องเน่เป็นสูตรที่เเขาเป็นหลักการพิจารณาเพื่อจะเจาะเข้าไปพิจารณา ก็อย่างเงี้ยยอมรับอาจจะแต่ไม่ได้ก็อย่างงี้ยอมสลนงไปทางานเนี่ยปลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนไหมไม่เข้าใจก่อนนะต้องต้องต้อง้าไปทำแล้วต้องศึกษาแล้วถึงจะรักษใช่ไหมต้องศึกษาใช่มต้องถ้าไม่ศึกษากล้าทำไหมกล้าน่นะอันนี้ไม่เราไม่ศึกษาเรื่องกินตามที่พ่อเจ้าบอกทาไมกล้ากินอนี้เวลาที่อาจาสนเนี่ยอทไมกล้ากินน่ะชั้น อ๋อแต่อาจารย์บอกว่อาจารย์บางท่านท่านจะบอกว่าไม่ว่าอะไรต้องเกิดจากเหตุจากปัจจัยแลก็เออใช่เกิดจากเหตุจากปัจจัยแต่พอเรารููกคนเหตุมันเคยแงเนี้แต่วิธีที่เราจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะแก้เนี่ยแก้ไม่ แ, แ, แ, แ, แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่มเ้าใจก็เหลออยอาจจะบอกว่าต่อไปก็ต้องดูว่าเราจะเดินได้แค่ไหนวิธีคิดวิธีวิจัยนะเริ่มแต่วันนี้ดีไหมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้จะไปหยุดไปเราไปกินอาหารแล้วนั่งวิจัยดู ไม่คุยเรื่องอื่นแล้วลองลองวิจัยอาหารดูลองดูไหมอ้าวเงินลองดูพักดูแล้วใช่ไหมจะได้เอาไปใช้หรืเ อ, อเขาวิจัยยังไงแบบกินอาหารหรพิจารณายังไงใครคน